ชอบจับหลังใจหวั่นภาวะอย่าจับหูนักฉันเปลือยหูยา น, อ ย, าานอย่ามาจับนะอย่ามาจับนะอย่ามาจับนะเดี๋ยวหูน้องยาน นะอย่ามาจับนะอย่ามาจับนะยน อ, ยนอย่ามาจับนะเดี๋ยวอูน้องยานอย่ามาจับ อย่ามาจับนะอย่ามาจับน ะ, ะ, บน ะ, ะเดี๋ยวหูน้องยำอย่ามาจับู อย่ามาจับนะอย่ามาจับนะเดี๋ยวหูน้องยานอย่ามาจับหู